สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาล น, นะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์เราอยู่ใน20กฎทองคำซึ่งเขียนโดยศาสนาจารย์ด็อเตอร์ฟิลิปเทงและแปลโดยท่านศาสนาจารย์สุพิษวิจักโยถินขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงใช้ทั้งสองท่านนี้เพื่อที่จะเป็นพระพรมาถึงเราในทุกเช้าครับวันนี้เราเข้ามาถึงกฎ ที่9เรียกว่ากฎแห่งการขานรับกฎแห่งการตอบรับหรือกฎแห่งการตอบสนองพี่น้องครับจากพระวจนะของพระเจ้าทําให้เราเห็นกฎนี้ครับเราเห็นได้ชัดครับว่าพระเจ้าได้ทรงขานรับขานตอบตอบรับตอบสนองต่อการกระทําของเราแต่ละคนแต่ละคนชัดเจนครับพระเจ้าตอบรับเรา ขานรับเราตอบสนองเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องรู้เพื่อเราจะมีความเข้าใจและจะรับการหนุนจิตชูใจและผลักดันจูงใจเราให้เราทำอย่างที่พระองค์ต้องการเพื่อเราเองนั้นจะได้การยอมรับขานรับตอบรับตอบสนองจากพระเจ้าของเราครับประการแรกครับพระเจ้าทรงเอาความรัก ตอบสนองหรือขานตอบคนที่รักพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่21เถึงข้อที่23เราจะเห็นถึงกฎข้อนี้ครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าผู้ที่รักเราเราก็รักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขาผู้ที่รักเราพระบิดาจะทรงรักเขาแล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขา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 คนที่รักพระเจ้าจริงๆจะได้รับการตอบสนองการขานตอบจากพระเจ้าสี่อย่างด้วยกันครับอย่างแรกหรือประการแรกก็คือว่าเราจะได้รับความรักจากพระบิดาคนที่รักพระเจ้าจริงๆจะได้รับความรักตอบแทนจากพระบิดาครับประการที่สองก็คือเราได้รับความรักจากพระเยซูเจ้าคนที่รักพระเจ้าจริงๆ เขาจะได้รับการตอบสนองขานรับจากพระเยซูคือได้รับความรักคืนมาประการที่3ครับองค์พระผู้เป็นเจ้าจะสําแดงตัวให้ปรากฏแก่เขาอันนี้คือคนที่รักพระเจ้าเขาจะได้รับการขานตอบขานรับตอบสนองพระเยซูจะสําดงตัวให้ปรากฏแก่เขาและประการสุดท้ายครับ คนที่รักพระเจ้าจริงๆพระบิดาและพระเยซูจะทรงมาอยู่ด้วยกันกับเขาพี่น้องครับผมจะทบทวนนะครับ4ประการนี้คือสําหรับคนที่รักพระเยซูครับรักพระเจ้าจริงๆครับ 1. เขาจะรับความรักตอบแทนจากพระบิดา 2. เขาจะได้รับความรักตอบแทนจากพระเยซูเจ้า 3. เขาจะได้ รับการปรากฏตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้า4เขาจะได้รับการอยู่ด้วยจากพระบิดาและพระเยซูพี่น้องครับคำว่าสําแดงตัวให้ปรากฏในพระคัมภีร์ตอนนี้มีความหมายอย่างไรครับการสําแดงตัวให้ปรากฏมีความหมายว่าเราจะได้สัมผัสพระคุณของพระเจ้าเราจะได้ประจักษ์ พระคุณของพระเจ้าความรักของพระเจ้าในสถานการณ์ความเป็นจริงเหมือนกับได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งคนอื่นไม่มีประสบการณ์นี้ครับพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งนะครับว่าคำว่าสําแด่งตัวให้ปรากฏแก่เขานั่นหมายความว่าเมื่อเรารักพระเยซูพระเยซูจะทำให้เราประจักษ์แจ้งเหมือนกับที่เราได้เห็นพระเยซูเองครับ พี่น้องครับถ้าถามว่าพระเยซูณเวลานี้เราเห็นกับตาได้หรือเปล่าตาเนื้อหนังนี่นะครับคําตอบคือเราไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อหนังของเราเราจะเห็นพระเยซูในพระคัมภีร์เราเห็นพระเยซูในห่วงความคิดของเราเมื่อเราอ่านเรื่องราวของพระเยซูในพระคัมภีร์หรือเมื่อเราฟังเรื่องราวของพระเยซูจากคําเทศนาในชั้นเรียนพระคัมภีร์ในชั้นระวีในกลุ่มสร้างสาวกพี่น้องครับ คำว่าสำแดงตัวนี้มีความสำคัญครับเพราะว่าถ้าเรารักพระเยซูพระเยซูจะมาปรากฏตัวให้เรามาปรากฏตัวให้เราเสมือนเราได้เห็นพระเยซูเองครับซึ่งเหมือนกับว่าถอยเรากลับเข้าไปอยู่ในยุคของพระเยซูกับสาวกที่พระองค์ได้ทรงดำเนินพระราชกิจของพระองค์ในโลกนี้ก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ นั่นแหละครับคือสิ่งที่เสมือนได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขานี่เป็นประสบการณ์ล้ำค่าครับเพราะเขารักพระเจ้าเขารักพระเยซูประสบการณ์ล้ำค่านี้จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่มีพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมแสวงหาเป็นไปได้ครับที่ผมเองยัง ไม่ได้รักพระเยซูเท่าที่ควรการประจักษ์ถึงการทรงพระชนอยู่เสมือนได้เห็นองค์พระเยซูนั้นก็ปรากฏบ้างแต่ไม่มากเท่าที่ควรครับพี่น้องครับคำสัญญานี้ปรากฏชัดตอนที่มารีมักดาลาเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้เหมี่ยความตายพระองค์ทรงปรากฏให้แกเธอเห็นเป็นคนแรกเธอเป็นคนบาปที่ดิ่งตกลง ต่ำที่สุดแล้วแต่ได้รับการอภัยโทษได้รับการอภัยบาปผิดโดยพระคุณและเธอได้รับความรอดจิตใจของเธอนั้นรักองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดหัวใจเธอรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูอย่างสุดซึ่งก่อนที่ฟ้าจะสว่างเธอรีบไปที่อุโมงค์และด้วยเหตุ น, นั้นเองเธอจึงเป็นคนแรกที่เห็นการปรากฏตัวขององค์พระเยซูคริส การเป็นขึ้นมาจากความตายขององค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระนเจ้าให้เธอไปบอกข่าวดีให้กับคนอื่นๆในประวัติศาสตร์คริสตจักรนั้นบันทึกว่าเธอได้รับเลือกเป็นมัชคนายิกาของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเลม็มพี่น้องครับใครก็ตามที่ไปที่ภูเขามะกอกเทศที่อิสราเอลนะครับที่เชิงภูเขามะกอกเทศมีโบสถ์แห่งหนึ่งครับ สร้างตั้งชื่อของเธอว่าโบสมารีมักดาลาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ในชีวิตจริงของมารีมักดาลาครับเพราะว่าเธอรักพระเยซูจริงๆ ร, รักพระเยซูอย่างสุดจิตสุดใจพี่น้องครับหันกลับมาดูชีวิตของพวกเราพี่น้องครับผมจำได้ว่าหลาย1ิปีที่แล้วอาจารย์ท่านหนึ่งครับเทศนา เกี่ยวกับเรื่องของการคิดถึงพระเยซูเมื่อเราคิด <Wh> ถ <ips> <st les? S 2> <whatever> ึงพระเยซูพระองค์ก็จะอยู่ใกล้เราเราต้องคิดถึงพระเยซูก่อนการคิดคิดถึงพระเยซูก่อนทำให้เราสามารถระงับความโกรธได้เราสามารถระงับความโกรธได้ด้วยการคิดถึงพระเยซูคิดถึงสิ่งที่พระเยซูสอน ไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเราตอบสนองตอบปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตโดยที่เราไม่ได้ให้พระเยซูเข้ามาครอบครองและเป็นผู้นําพูดง่ายๆก็คือว่าพระเยซูหายไปเวลาที่เราโกรธครับอาดัมเอวาเขารู้คําสั่งของพระเจ้าเป็นอย่างดีเขาไม่ได้ให้พระเจ้ามาก่อนเขาไม่ได้คิดถึงพระเจ้าก่อนหัวใจของการเกิดผลก็คือการคิดถึงพระเยซูก่อนปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่15ครับ คิดถึงพระเยซูทุกเวลาตลอดเวลาเวลาที่เราไม่พอใจเวลาที่เราก่อนเราจะโกรธเราคิดถึงพระเยซูเมื่อเราเจอปัญหาให้เราคิดถึงพระเยซูตามด้วยอธิษฐานเมื่อเราคิดถึงพระเยซูเป็นการทำให้พระองค์อยู่ตรงหน้าของเราตามที่สดีบทที่16ข้อที่8ทํทำให้เราเดินอย่างปลอดภยัยเมื่อเราคิดถึงพระเยซูพี่น้องครับ เมื่อเราคิดถึงพระเยซูเราอดไม่ได้ที่จะรักพระองค์เราอดไม่ได้ที่จะดื่มดำอยู่กับประสบการณ์แห่งความรักที่มาจากพระเจ้าและด้วยเห็นนี้เองทำให้เราทั้งหลายต้องตกหลุมรักพระเยซูครับพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราตกหลุมรักพระเยซูยังไม่พอเพราะว่าเราเองนั้นไม่ได้รู้จักกับพระเยซูเท่าที่ควรจึงทาให้องค์พระบุพเพเจ้าพระเยซู เราไม่ได้ประจักษ์และโปรงก็ไม่ได้ปรากฏให้กับเราเสมือนเราได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งประสบการณ์นี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่หลายหลาคนไม่มีเห็นแต่ตัวเองครับเห็นแต่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเห็นแต่งานเห็นแต่อะไรล้าอย่างที่ไม่ใช่พระเยซูครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะเอง เห็นพระเยซูโดยที่เราจะรักพระเยซูยอย่างสุดจิตสุดใจรักพระองค์ด้วยความจริงใจครับปฏิเสธตัวเองเถอะครับอย่าเอาตัวเองขึ้นมาแต่ขอให้พระเยซูประจักษ์แจ้งในชีวิตของเราแล้วพระเยซูจะรับการเห็นเด่นเป็นสงา่าเมื่อคนอื่นมองชีวิตของเราเขาจะเห็นพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือความหวังของผม และอยากจะให้เป็นความหวังของพี่น้องทุกท่านด้วยอาเมน